จะออกดูเดี๋ยว ไปแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ โอเคอีกหน้านี้ไปชมนะอ๋อใช่อืมแต่ผมจะกดอืมโอเค น้ายวงหาเค้าไว้ก่อนแล้วกันอ๋อได้ตามสั่งใช่ติดไว้ก่อนผ่านเลยเฮ้ยเฮ้ยมีใคร โอเคปล่อยปล่อยถึงขึ้นได้แล้วปล่อยไงเล่าปล่อยสิเฮ้เนาะสําหรับเพื่อนจะบอกให้ฟังนะนี่คือกีฬาใหม่ที่ฉันขอๆเลยโต้เนินเขาอันตรายที่ไหนโอเคขอเลีย ได้ฤกแล้วขอฉันลุยดิคอนไปโอ้รอเดี๋ยวตากล้องอ่ะขอทอยโลโลโลเช้หูแดง อ่าโอ๊ยขึ้นน่ะๆเลย ในหมดだけไม่แค่อาเป็นหมดเลย ครูกับทุกคนเอา 13 ปีแล้วแล้วอายุยืนจริงๆเลยและจําพ่อผม ผลไก่ที่มันกระจุยพ่อต้องหากลิ้งน่าจะบอกผมว่าผมเอ่อผม ก็ครับอื้อนิดหน่อยได้นิดหน่อยโอเคโอเคโอเคฉันจะพูดด้วยอย่าลืมว่างานลิฟนี้แจก เปนซิตี้ฮอมทําอย่างเด็ดขาดนี้ไม่เหมาะจะคุย ขอโทษทีนะแฟนกี้มันเดอร์เอาเออฉันต้องวางแล้วมิสเตอร์จอร์แดนเออโทษผิดนะครับ 2 ขอเตือนให้รู้กัน 2 อยู่ในรั้วอนาคเขตของเราตลอดเวลาและกด 3 ระวังโอเคเลิกประชุมรีบไปดีกว่ายาวๆอ๋ออยู่ก่อนโอเคมั้ยกู ส่วนว่านายโชคดีผู้ส่วนใหญ่มีแค่ 4 กีบแต่นายมีเพิ่มอีกโอเคยี่ยมเลยฮ่าๆนั่งลงนั่งก็นั่งไม่อยากคือมันไม่ ทำไมทำกับพ่ออย่างนี้สัตว์อื่นเขาจะมองพ่อยังไงสรุปว่าพ่อพ่อโกรเฮ้ยเมื่อโอติสโหกไปสนุกมาเพราะนั้นจะลองบ้างนะมันจะ มัยรูซิฮะเอ่อผมนะเอ่อจะกันอะไรได้เล่ารั้วนั่นกําหนดขอบเขตของเราและตราบ ผู้ที่แกร่งยืนหยัดเพื่อตัวเองผู้ที่แกร่งโอติสสักวันแกเหรอคอยอืม เรียกทั้งเลยนะอื้อนะ <tube oses> ของนายฉันกําลังตั้งชี้อาหารให้สัตว์ที่ฉันโดดทัพมาชักก้า โอชั้นบู้บี้โอเคตาเธอว้าลมว้าแรงแล้วแหละเอาล่ะลูกทีเนี่ยไปได้ พวกเธอพึ่งมาใช่เกิดแต่พวกเธอรอดกับฝูงพวกเธอแต่พวกเธอรอดอื้อเธอต้องมีเพื่อนอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวดิโทขอโทษจริงเหรอจริงๆดูไม่ออกเลย แต่พอหันข้างมันจะดูป่องๆหมายถึงว่าเอ่ออ่ะผมชื่อไม่เอาไหนนะเอ็กซ์เอ็นคิวโอ๊ยไหนจะฆ่า ไมค์สนอย่าไม่ต้องกันตอบก็คือไม่รู้ไว้ซะไมค์ต้องการโอ้น่ารักเชียวครับฉันเคนเอ่อว้าวโวยไม่เหมาะ Lop lew! Mooooooooo! <sighs> <sighs> <blood>, <laughs> every heifer, every cow, hold tight to your udders now. Farmer Brown is bedding down, let's turn this barn to funky town. Chicken's no, on the go left, dance with your a hodgepodge farmer. All อย่างบอเอาเข้าไปผมเป็นตะคริวตะคริวกินใช่มันถึงโอเคเอ่อ ผมไม่ตั้งพ่อจําได้ทําผมไม่มีพี่สาวพ่อผิดหวังผมงั้นดี อืมดีกันสิเจมเพราะผมมีเรื่องจะขอพ่อฮะ <últ im temps> homme คือแต่ว่าวันหนึ่งเปลี่ยนไปตัวเองจะต้องยิ่งใหญ่เมื่อได้ขึ้นรับนั่นคือวัน hmm. ก็รู้ว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ ยังอยากไปอยู่ใช่มั้ยเนี่ยจะไปฮะพ่อเอ่อคืออย่างใช่ว่าเอ่อที่เอาเธอเอา jeg har skjedd meg i hjulet. Hei det ikke? Det er ikke det. Mr. Boombastik! Vi er autisme boombastik, romantik og fantastisk løver. Hun Mr. Boombastik. Det er Touch me not me, but she says Romantic, Ro. oh, want fantastic. Touch me not me, but she says I'm Mr. Roe. Smooth. Crying. Challenge. One, two, three. Number one. Oh, you got it. Woo-hoo. Tinchan. Tinchan, right. Tinchan. And you're Hatch you up a pop. I'd dig ding ding ding. My owner, will my heart ออกจากเวทีซะไหนไม่ได้ขึ้นโอเคมองอะไรฮะไก่งวง เรารวนน้ําตายแค่ไม่รู้วันแต่พวกโอเคเราเนี่ยค่ําคืนนี้ฉันมีโชว์ อีมันกันยันสว่างสินะนี่ตาบ้าไม่รู้ล่ะฉันจะโทรหาใครเมื่อไหร่ก็ได้และฉันทําๆเพราะฉันรู้ว่ามันจะโอเคคุณเฉย ไงแฮกคนส่งพิซซ่ามาซะเองพิซซ่ายูเอ่อขอบคุณเออไม่เก็บไว้เถอะแหมสั่งพิซซ่าที โอ้ยผมไม่ชอบปาร์ตี้ไม่ได้เออไม่เดี๋ยวมันโหลดเข้าว้าวผมเสียใจด้วยๆอ่ะให้ผมช่วยหรือ เออมันขัดหลักศาสนาฉันฉันฉันเป็นโนเฮลเปียนอ๋อเหรอผมเป็นโอ้ดี stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned สงบดีซอสาวขอโทษที่มาซัดช้าเมื่อ <c oughs> <c oughs> 6 ตัวตัวไหนอ่ะแล้วก็เอาตัวไปด้วยวะ คุณแม่กายแม่กายเธอจะทํายังไงฮะชั้นเปล่าเค้าตัวเป็นเป็นไงบ้างเป็นไม่ทัน แม่ก็รู้ว่าเรามีกันหกตัวชอบแม่ With my death by my side Oh, this don't good Oh, oh, oh, oh, oh Oh, oh, oh, oh Oh, oh, oh, oh Oh, oh, oh, oh, is me จะทํายังไงล่ะเนี่ยใครจะกันมาปาร์ตให้พวกเราไม่มีปืนบ้าง ดูใครจะนำประชุมล่ะฮะนั่นแหละเรื่องที่จะประชุมเนี่ยเราจะประชุมเรื่องหาคนมานำประชุมอย่าง อีกแล้วที่ทําเออเพราะฉันเอ่อเมาเมาแล้วโหตัวชกแล้วนะหนูอือ ทำไมล่ะฮะฉันก็ทําขําเอออื้ออะไรเล่า นี่มันไม่ได้มีความหมายอะไรไม่มีมันไม่ได้มีความ เห็นมือฉันป่าวเนี่ยฟังทางนี้ฟังทางนี้ฟัง ดีเหมือนกันนะจ๊ะอาติอาติเฮ้ยอาติโอ้เฮ้ยแมดี้เอ่ออย่าเพิ่ง <tale> <tale> <tale> <tale> <tale> <tale> พุ่งไปหมดเลย นายเป็นหัวหน้าแล้วว่าไงเนอะมาๆๆๆมาให้ผมไม่เอานะผมไม่ ก็วันสัก สهره เหลือชาวราชกลับมา ไม่ why ไม่ช่วยชมลงหน้าคือทางธรรมแล้วแท้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ทำ Hey! Hey! Hey! เฮ้ยเราทําไงล่ะเค้าเห็นนายอ่ะเค้าอาจตายได้นะแล้ว ไม่เป็นหัวหน้านะนำหน่อยสิมันมันใช้กับเรื่องนี้ไม่ได้นะสถานการณ์มันแตกต่างกันแล้วคนละเรื่องราวเลยคือมันเอ่อเอ้อไม่ไม่ไม่เราจะๆเออคือเอ่อ หมายถึงว่าไม่ได้กินเนื้อไงล่ะอ๋อไม่ใช่คือคือคือคืออะไร เราไม่ได้มีทางเรียกมากนะหอสดๆเร็วเข้าอ่ะดูนะเบ้งจมูกแล้วก็ท้องแล้วก็ หนังสือโอ้พี่มุมเพื่อนรักแล้วของก็โตมาใส่หัว เราต้องนี่หึบขโมยโอ เขาเชื่อเชื่อโอ้ไม่เชื่อแล้วไม่ มั้ยอ้าวท่านไม่เอาผ้าปิดโอเคไปไม่ใช่ ตัวไปเป็นหัวหน้าก็ไม่ยากเท่าไหร่ฮะเข้าใจแค่พูดใช่มั้ยไม่ ฮะเราเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลอ่ะฟังดูก็ มากินข้าวได้แล้วจ้ะไปดิเป็นไรมั้ยฮะเนื้อขาวๆไส้ไหนนี่เออๆว่าอะไรอะไรฮะเอาล่ะได้อีกครั้งแล้วก็ไปปาร์ตี้ Høy, høy, høy, høy! Dinnig se! Hvor er en kvinne med oss kommer. Må sjinn for oss, Otis! Åh, se! Høy, høy! Høy, høy! มันเดี๋ยวก็หลบหัวเฮ้ยเออโฮ้ยโยเฮ้ยเฮ้ยทําไมเอ้ยนี่มันน่าเฮ้ยจะเป็นจริงไม่จริงพวกเราฮะจริงพูดจริงไปฮะโอ๊ยแกงเมาล่ะนั่น โอ้เสียงเพลงลอยมาอีกแล้วเงียบนะเงียบไอ้ <Workers> <chapter> <oise> มีหัวอยู่ข้างนอกมีหัวอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกก็มันฟาร์มวัววัวอยู่ข้างนอก อย่ามาทําไปนั่งเอื๊อดแล้วมารู้หายไป <c oughs> อีวันจ๊าบจริง ก็นับจากนะจริงมั้งบาปร้ายแรงฉันชอบเฮ้บั๊บ นั่นไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเราเข้าไปไม่ได้อ๋อหน่วยใช่ใจสลายเลยเคอยู่เออๆ ก็ทั้งแน่มันเรื่องของฉันฉันอยากทําอะไร <proceso> <Books> Huh? No! What? Lala, correct what? Lom deck, ngay. หงายอีกหงายไปทุ่งหญ้าอีกนี่หน้า เฮ้ยบึนจ๊าดยอดยอดบึนจ๊าดเดี๋ยวบึนจ๊าดแห่งโลกใหม่เราแค่มนุษย์ปลั่งแล้วเย้บึนจ๊าดใหม่มันก็แตะเราไม่ได้สวยแล้วสวยแล้วฉันจะต้องลงรถนะเฮ้ยฉันลงรถเฮ็ด โจรนี่จะต้องจอดตรงนี้นะจะจอดรถ อ๋อพวกหนีหนีกันโอเคฮะใช้รถเก๋งเองนี่นะโอ้ต่อย กี่บัวนี่นามีวัวอยู่ในรถเราฉันเห็นเกบัวนั้นน่ะเออค่ะฉันออราบีตี้เรื่องอะไรน่ะเหรอแกรี่ จะสลัดอู้โอ๋โอ๋โอ๋แน่แล้วจะตามพวกเราเล่นแน่แล้วอ่ะเพื่อนของฉันแล้วอ่ะ <skratt> <skratt> ก็เจอจากพอเค้า 19 เราเห็นตัวสงสัยแล้วอู้ลองสํารองแล้วโอเคเรา เชื่อมั้ยล่ะเห็นฉันหรือเปล่าโหเหรอไม่กลัวเลยโอเคบ๊ายบายโอเค นึกภาพเป็นทําอะไรอย่างนั้นออกมั้ยทําให้มากว่ามีถาง มากันหน่อยสิก็ทําไมเราต้องทําจริงๆไหนไปได้นายก็เหนื่อยแล้ว ขอนั่งด้วยคนละไม่เออๆๆได้สิเออผมไม่รู้ห่าโอ้พระเจ้าเออพระเจ้าลูกฉันจะเยี่ยมดี ขอบคุณฮะผมเสียวท้องเลยสวยดีนะว่ามะท้องผมเหรอท้องโอ้ใช่สวยใช่สวยดีพ่อผมชอบดวงดาวมากเค้าเป็นยัง แล้วผมไม่เคยคิดถึงเมื่อก่อนมาเลี้ยงผมไม่เคยคิดถึงเมื่อก่อนแต่แล้วบอก ทำมันส่วนตัวเกินไปหรือว่าเป็นได้แม้ผมจะเริ่มไง <c oughs> เบสิกกับฉันได้หลบคือว่าคุณรู้ไหมทุกคน Okay. Uh -huh. ที่โรดได้ไงเจ้าหัวๆ <c oughs> กี่รู้จะทํางานแทนเขาได้โอเคจากนี้ไปนี้เมื่อเรามาทุกอย่าง <laughs> นี่มันกฎธรรมชาติอยู่แล้วมันกดธรรมชาติอยู่แล้วนี่จะเป็นความลับอ๋อไอ้ลูกเบนถ้าแกรีอาดสู้ขึ้นอ้วน i won! <laughs> <laughs> พ่อผมอยากจะอุแวะมาเอ่อฟังนะพ่อมันพ่อคง ผมผมกลัวตามตรงนะผมกลัวผมชอบ ดร. ทำหน้าที่ทุกอย่างจะเรียบร้อยเดี๋ยวๆๆๆนี่ ดร. โอติตโอ้ยโถ่เฮ้จริงบอกว่าโอติตพูดนะคือว่า เราเป็นเพื่อนกันรักกันด้วยไม่พิบมันจบแล้วฉันจะไปเข้าใจมั้ยอย่ามากเรื่องมีอะไรทําก็ทําแม่หัวหน้าโอติสเรา ขอยังฟู้ดด้วยดุกนายเป็นหัวหน้ารวมพลฝูง หวัดดีหวัดดีมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยจะบอกนะดีช่วยคุณคุณอยากรู้ใช่มะผมมันที่ขลาดไงล่ะ ทุกคนที่ไว้ใจผมกันหมดแต่ว่าผมปกป้องใครไม่ได้ๆเขาบอกอะไรโอเค ถ้าฉันเข้าใจต้องทําสิ่งนี้ฉันเข้าๆฉัน ไลเพ็คจะเย็นๆเกิดอะไรขึ้นเหรอมันเร็วเข้าเร็วไปแล้วเร็วเข้าเดี๋ยวเกิดมันเอา 6 7 ตัวไม่รู้สิเออมันไม่ มันเอาเมดี้ไปด้วยอ๋ออืมม้าป่าพวกนั้นน่ะมันกล้าอะไรนะม้าป่าน่ะมันกล้ายังคิดเลยว่าถ้าเป็น <watering> <pak> <heden> ป๋าลูกแมวช่วยจะช่วยไม่มีร้อง ด้วยม่อยพิบอยู่ใช่มัน ขอบใจนะที่ทนรอได้เราชอบกินตอนกลางคืน วู้! ฉันชอบไก่ส่วนโปรดของฉันคือหนังนายมันใจโหดร้ายว่าไงนะนายมันจอมโหดจอมโหดจอมโหดก็ต้องกินนะอย่ายุ่งกับเธอตัวนี้ของฉัน ฉันปรุงท่าเราวันที่ฉัน <laughs> <laughs> สิ่งแรกที่ฉันจะทําก็คือเอาลูก งั้นแหละงั้นแหละโย่ไหนดูฮีโร่สิแกคิดว่าจะ <c oughs> จะทําไมพูดถึงตัวยืนหยัดเพื่อตัวเองผู้ที่ บอกแล้วมันจะได้กลิ่นน่ะไม่ได้ สงสัยว่านายอ่ะต้องถอย <c oughs> ชนทีปกชนทีเอาหลอดมาแล้ว Hei จอมอาให้เห็นหน้าอีกเห็บฉัน <deleg Analyt ica> ยอมเลยนะโดยชนะหมาป่าเพชรก็เย้ลูกเบซี่แล้วจะๆอย่างนั้นเหรอจะเป็นอะไรมั้ยๆๆ ไม่ใช่หม่อง <skratt> คืนโอทิสไปเถอะถ้าว่าไกลแล้วล่ะ ดิสฉันเป็นผมเอาอยู่มากเลยไม่เป็นไรผมอยู่นี่แล้วแย่ห่วงอะไรจ๊ะผมโอเคจ้ะจูน หรอจะเจ็บนะเนี่ยหือพูดซะเหมือนรู้เลยนะแสนรู้จริงเลยโหโชคดีนะที่เกิดเป็นหมูยังไม่เกิดอะไรขึ้นอีกเหรอเธอคงไม่เป็นอะไรหรอกนะฮะโหน่าดีขอทอดๆถ้าเกิดลูกคลอดท้องอ่ะไม่ถึงออกมาครึ่งตัวอย่างงั้นเหรองั้นเธอก็เป็นวัวตัวครึ่งซิทําบริพูว่าวัวตัวนึงนะใครพูดชัวพูดยกๆดูฉันพูดเหรอ i know i'm not gonna yet no jung โปรวิเศษเลยฮะว่าไงเป็น เราคุยกันหมดแล้วเรารู้ว่านายมีแผนอื่นเออเออเราเข้าใจๆกับสิ่งที่นาย สัตว์ตัวไหนถูกทำร้ายในรั้วแห่ง ฉันน่อราบวิทย์ดีเป็นสิ่งล้ำค่าและจะปรณีบัติตัวเองเช่นนั้นอ้าห้าโอ้อุ๊ยตายทำไมล่ะโอ้ yard dance with the Arquette Children's Chorale. a